ทุกคนที่วิ่งพล่านกันเป็นมดแตกรังอยู่ในขณะ น, นี้ได้ยินเสียงตะโกนของชายันเพียงแค่แววแววเท่านั้นและจับสับไม่ถนัดนักแต่พอพลุขึ้นไปสว่างจ้าอยู่เหนือบริเวณพร้อมกับเสียงระเบิดตูมแรงอาัด จ, จากคลื่นอากาศและความสะเทือนของแผ่นดินทำให้ทุกคนล้มตัวลงงอทันทีอานุภาพของเสียงระเบิดนั้นแทบว่าตับไตไส้พุิจะทะลักออกมา เฮ้ยชัยยันระวังเชษฐาร้องเสียงหนุงแต่ชัยยันไม่ฟังเสียงซะแล้วเขากระชากนิรภัยลูกที่สองคราวนี้คว้างโดงข้าม ง, งูหินไปอีกทิศหนึ่งแล้วตัวเองก็นั่งลงอ้าปากกว้างเอามือป้องไว้แต่วันนี้ตึกต้องสะเทือนมาจากทางด้านตรงข้ามกับลูกแรกที่คว้างไปแล้ว เสียงแค่ระเบิดมือแตกขึ้นสองลูกเท่านั้นรวมทั้งแสงสว่างจากพลุที่สาดจ้าไปหมดแทบทุกมุมของบริเวณนั้นความชุลลมุนตื่นตระหนกก็เกิดขึ้นกับโคลงช้างผีสิงอันไม่ทราบจำนวนนั้นทันทีมันพากันส่งเสียงร้องขึ้นยังไม่เป็นสซําแต่ไม่ใช่เสียงร้องแสดงความดุร้ายอาฆาตหรือเจตนาที่จะทาเสียงขึ้นเพื่อคุกคามฝ่ายมนุษย์อีกแล้ว หากแต่เป็นเสียงของความเปิงตกใจหรือที่เรียกกันว่าช้างป่วนสภาพอันวิ่งพรูพับโถมกันเข้ามาเพื่อหมายเหยียบขยี้มนุษย์ปลายเป็นแตกคือขึ้นทั้งโขลงวิ่งตเตลิดเปิดเปิงกันไปคนละทิศคนละทางไม่เป็นขบวนเสียงแผ่นดินและก้อนหินที่ถูกกระแทกชนลั่นอยู่คลึงครันพวกมันแตกหนีกระเจิงไปในครั้งนี้ ดูจะรวดเร็วกว่าการที่พุ่งเข้ามายังที่หมายของมนุษย์สิสามตัวที่ตะลุยผ่านกลางบริเวณแคมเข้ามาได้แล้วและเมื่อแรกนั้นก็จะต้องปรีเข้าใส่ไฟมนุษย์ที่กำลังวิ่งสับสนพล่านอยู่บัรนินขี้แตกเรี่ยราดด้วยความตกใจต่อให้อำนาจกริยามนที่ลงสิงพวกมันยิ่งใหญ่สักขนาดไหนก็ตามแสงสว่างจากพลุทิจา้าราวกับกลางวันเปลี่ยนบรรยากาศไปประการหนึ่ง เสียงสะเทือนเลื่อดล่นของระเบิดมือที่ดังยิ่งกว่าเสียงปืนอีกประการหนึ่งพร้อมทั้งคลื่นนาคาที่อาจบุกเข้ามาปานจะแยกแผ่นดินบริเวณนั้นให้กลายเป็นพัดสมธุลีมันก็ทนอยู่ไม่ไหวอีกแล้วถึงผีลงผีก็มีความจำเป็นจะต้องเพนออกเหมือนกันพวกมันวิ่งแจ่นร้องลั่นไม่สนใจที่จะเข้ามาทาร้ายมนุษย์อีกแล้ว ไปหาทางที่จะเอาตัวรถโปลอ้อาวออกไปตามปากทางด่านทิศทางที่มันมองเห็นอยู่มีตัวหนึ่งวิ่งปูแรงปูแลงเฉียดหนานอินผู้หมอปลอบอยู่ข้างก้อนหินย่อมย่อมไปนิดเดียวย่างบุดวิดบุดบิดจวนเจียนจะเหยียบรับอนุภาพของความสว่างเจอจ่าของพลุและอิทธิพลของระเบิดที่ดังสะเทือนแผ่นดิน สร้างความโกลาหลอนอืออในหมู่ของช้างโขลงที่ยังแอบซ่อนบังเงาอยู่ตามแง่มุมเหลี่ยมหินบางต่างๆลักษณะของพวกมันจ้าละวันทีเดียวไม่มีตัวใดบังอาจ บ, บุกเข้ามาอีกนอกจากซาก ข, ของพวกมันที่นักไม่ท่วนกองทะมึนอยู่ในทิศทางต่างๆรอบที่พักเท่านั้นไอ้ที่ยังเข้ามาไม่ถึงก็บ่ายหัวกลับ แล่นกระเจิงลงจากป่าหินบริเวณนั้นไปอย่างชนิดแตกทับเสียงแผ่นดินลั่นคือๆๆๆห่างออกไปหางออกไปอย่างรวดเร็วแล้วชั่วไม่กี่อึดใจต่อมาเท่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างภายในบริเวณก็สงบเงียบลงตามเดิมแสงพลุที่คงความสว่างจ้าอยู่ได้ประมาณไม่เกินสามนาที ก็ค่อยๆรีมอดลงแล้วในที่สุดก็ดับสนิทป่าหินบริเวณนั้นปกคลุมไปด้วยความมืดตามเดิมเสียงพวกลูกหาพร้องลั่นกันออกมาเซงแซ่ว่าพวกมันไปกันหมดแล้วพวกมันไปกันหมดแล้วด้วยร้องบอกกันต่อๆไปแล้วก็โหกันลั่นอย่างดีใจขีดสุดเพราะทุกคนกระหนักดีว่าล้วนตกอยู่ในภาวะวิกฤตขีดสุด ด้วยกันทั้งสิ้นเกิบจะเป็นตัวใครตัวมันระหว่างที่ไอขโขลงผีสิงเข้าโจมตีเสียงกูร้องเรียกหากันอื้ออึงไปหมดอย่ามนี้ยังไม่รู้แน่ว่ามีใครในพวกตนขาดหายไปบ้างหรือไม่หรือว่าใครแหลกเหลวไปบ้างแล้วอนุชาเชษฐาชัยยันและหนานอินสี่คนเท่านั้นที่มองเห็นสิ่งอันชวนหวาดเสียวขีดสุดที่เกิดขึ้นกับดารินและขยิน ต่างก็ห้าแนบกันตรงไปที่ตำแหน่งช้างใหญ่ตัวนั้นล้มตะแคงอยู่ชิดกับก้อนหินตะโกนเรียกเป็นเสียงเดียวกันหมดว่าน้อยน้อยน้อยอยู่ไหนเงียบกริบไม่มีเสียงตอบคำใดมาเลยขณะที่พวกนั้นแล่นมาถึงเช็ดถามือเท้าเย็นเฉียบไปหมด วิ่งวนหาไปรอบๆซากช้างตัวนั้นในขณะที่อนุชาก็ปีนไต่ขึ้นไปบนบริเวณลำตัวอันมหือมาตรงตำแหน่งท้องของมันซึ่งบัดนี้ร่างกายใหญ่โตนั้นเบียดพิงอยู่กับโคลนหินตรงที่ทุกคนเห็นดารินถูกขยิงชนกลิ้งเข้าไปพอดีพยายามมองหาลู่ทางร่องรอยปากก็ตะโกนร้องเรียกชื่อเสียงสะท้านไปหมด เลือดจากรูกระสุนของไอ้ช้างเวนตัวนั้นยังไหลเป็นน้ำพุออกมาจากบาดแผลส่วนสีรัะและสบะบักราวกับท่อน้ำแตกจึงนองไปทั่วชัยันนั้นพอแล่นมาถึงตำแหน่งนั้นก็ยืนตัวแข็งตะลึงงันอยู่อย่างชนิดทำอะไรไม่ถูกทุกคนลืมนึกถึงกรยินไปชั่วขณะเพราะหมวแ ต, ตกใจเป็นห่วงดารินผู้กลายเป็นปริศนาเร้นลับ อยู่ภายใต้สากอันน้ำหนักไม่ต่ำกว่าหกตันราวกับภูเขาย่อมย่อมที่กองทัพปิดบังอยู่นั้นจะว่าหลอนพลิกกลิ้งหลบออกไปได้ทันก็มองไม่เห็นวิเววร่องรอยเลยสิ่งที่ทุกคนคิดอยู่ในขณะนี้คือไอช้างใหญ่ตัวนั้นถูกปืนแล้วล้นค้่นทับดารินผู้นอนกลิ้งอยู่ซึ่งแน่ละสภาพของหลอนบัตรนี้ คงแหลกเหลว อ, อยู่ใต้ซากนั้นหาชิ้นดีไม่ได้เลยนั้นยินกูกร้องตะโกนสั่งความโวยวายไปยังพวกลูกหาดและชั่วไม่ถึงอึดใจพวกนั้นก็วิ่งพรู ก, กันเข้ามาแล้วคราวนี้ทุกสิ่งประดามีไม่ว่าจะเป็นคบเพลิงจากใต้ตะเกียงแบตเตอรี่ไฟฉายก็นำมาส่องสว่างจับอยู่ยังบริเวณนั้นรอบด้านไปหมดน้อย no. น้อยน้อยพี่ชายใหญ่ของตระกูลคงวิ่งวนเวียนอยู่รอบรอบซากช้างอยู่เช่นนั้นพร้อมกับเรียกแล้วเรียกอีกไม่เคยมีครั้งใดที่คุณชายเชิดถาจะตกประมาทแทบจะคุมสติไวไม่ได้เท่าครั้งนี้เขาเตะสุดแรงเกิดเข้าไปที่บั้นท้ายของมันที่กองพนเนนอยู่ซึ่งชาตินั้นไม่ได้ไหวสะเทือนอะไรเลยเหมือนเตะภูผาทั้งลูก แล้วก็วิ่งเหมือนคนบ้าผ่านเท้าหลังทั้งสองข้างของมันจะอ้อมไปทางด้านสีใสชัยยันผู้ยืนอยู่ตรงบริเวณท้องอันนอนตะแคงอยู่ก็คว้าแขนเพื่อนไว้กระชากให้หยุดแล้วบีบแน่นพยักหน้าให้ดูไปที่พื้นตรงบริเวณใกล้เคียงกับที่ท้องของมันทักอยู่ซึ่งไฟฉายของชยันส่องจับอยู่ก่อนแล้วเชืานั้นพอเห็นเข้า ก็มีอาการหน้ามืดเหมือนจะเป็นลมทานท้ายไรยเฟิลจุดสามเวเธอร์บีแม็กนั่งของดารินโลออกมาจากการนอนตะแคงทับของมันประมาณสองคืบแลเห็นได้ชัดเจนส่วนยาวทั้งหมดของไรเฟิลทั้งกระบอกหายเข้าไปภายใต้ร่างฮึมาที่นอนทับอยู่อนุชามองเห็นอาการทั้งสอง ระหว่างที่ตัวเองขึ้นไปไตอยู่บนซากนั้นก็โดดลงมาสมทบด้วยและเห็นเข้าเช่นนั้นหลุดปากอุทานออกมาว่าโท่น้อยพี่ชายใหญ่ของตระกูลกำมือแน่นแล้วเขาก็ปรับความรู้สึกตั้งสติได้ก่อนทุกคนขนาดนั้นรอบบริเวณลูกหาบทั้งหมดพากันมายืนมุงอยู่เต็ม และไม่มีใครพูดคำใดขึ้นทั้งสิ้นพากันเงียบกริบไปหมดณนะที่นั้นบัดนี้ใครทำเข็มตกสักเล่มก็คงได้ยินเหตุการณ์ทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นนะับแต่กระสุนนะัดแรกได้ระเบิดขึ้นมาจนถึงเวลาที่ทุกคนยืนล้อมทราบทราบช้างตัวนี้กินเวลาแห่งความโกลาหน เพียงไม่เกินสี่ห้านาทีเท่านั้นเรากับภาพที่เกิดจากความฝันวิปริตเว้นเสแต่ว่าสิ่งที่ยืนยันได้ว่าไม่ใช่ความฝันนั้นก็คือซากอันล้มตายเป็นเบือของช้างแวดล้อมทั่วไปหมดสิ่งอันปรักผัดพังหินขยื่นและม่านฝุ่นที่ปกคลุมอยู่เหมือนหมอกทั่วไปกับปลอกกระสุนที่เกลื่อนกลาดอยู่เท่านั้น กับที่แน่ๆ่ในขณะนี้ก็คือไรเฟิลของดาริงมองเห็นอยู่ว่าซากช้างตัวสุดท้ายที่ถูกยิงล้มได้ทับไวพโพลออกมาให้เห็นเฉพาะส่วนพานท้ายแต่เจ้าของน่มองไม่เห็นเพราะความใหญ่โตของคดจะสารร้ายตัวนั้นบังไว้ถ้ามันเป็นแค่กระพิงหรือกวาง ทุกคนก็คงจะช่วยกันหามซากของมันออกมาแล้วหรือต่อให้เป็นกองหินที่ถล่มทับ ก, ก็ยังพอที่จะรื้อค้นก้อนหินช่วยกันรื้อออกทีละก้อนค้นหาสิ่งที่ถูกกลบอยู่ได้แต่นี่ซากช้างทั้งตัวน้ำหนักขนาดอย่างตำ่ำห้าถึงหกตัน อย่าว่าแต่จานวนคนแค่สิบกว่าคนที่ยืนล้อมอยู่ในขณะนี้เลยต่อให้ทหารซักหนึ่งกองร้อยก็คงหามเคลื่อนย้ายมันออกไปจากตรงนั้นไม่ไหวเว้นแต่จะแล่ชาแหละตัดออกเป็นชิ้นส่วนเท่านั้นซึ่งแน่ละจะต้องกินเวลาอยู่ไม่ใช่น้อยเอาละทุกคนทําใจดีๆไว้ก่อน ตอนนี้ที่เรารนู้แน่ๆก็คือน้อยอยู่ใต้ซ่าของมันนี่แหละว่าแต่มีใครในจำนวนพวกเราค้นพบศพกยินหรื อ, อยังเชิดาเอ่ยขึ้นด้วยเสียงแหบพร่าของเขาเมื่อ น, นั้นทุกคนจึงนึกขึ้นมาได้ถึงกยินอีกคนหนึ่งซึ่งหลายๆคนก็เห็นจะแจ้งกตาว่าถูกงวงของมันงัดลอยละลิ้วข้ามหินก้อนนั้นไป นันอินนายชวนและลูกหาบอีกสามสี่คนก็ชวนกันวิ่งอ้อมไปทางก้อนหินลูกที่ชะโงกเอ็นอยู่นั้นทันทีอีดใจก็มีเสียงลงเลงผู้จากันขึ้นมีเสียงเรียกนามขยินเสียงสอบซักถามแล้วก็มีเสียงสูดปากครางงิงงิ้ ง, งทั้งสามเหลือตามองดูหน้ากันแล้วอดีตทรานชดก็พูดโดยเร็วว่าเดี๋ยวผมจะไปดูมันเองครับพี่ใหญ่ แล้วอนุชาก็เพ่นพรวดไปในทันทีช ย, ยันกระเชษฐายังคงยืนนิ่งอยู่ที่เดิมความรู้สึกในขณะนี้ของทั้งสองคนก็คือขยิมคงมีชีวิตอยู่แน่แต่จะพิการหรือบาดเจ็บคางเหลืองแค่ไหนเป็นอีกเรื่องหนึง่งก็ยังดีบ้างอยู่รอกที่มันยังไม่ถึงกะเลกแหลกเหลวชนิดไม่มีโอกาสสั่งเสียอะไรได้อีกแล้วแต่ที่สาคัญที่สุดในขณะนี้ก็คือ ดารินวราริศโอกาสที่จะรอดชีวิตอยู่ได้ต่อไปคือศูนย์และชีวิตของดารินย่อมสําคัญเหนือกว่าขยินแน่นอนในความรู้สึกของเชษฐาและชยันครู่เดียวคนเหล่านั้นก็พากันโผล่กลับออกมาสิ่งที่น่าแปลกใจที่สุดก็คือแทนที่จะเห็นใครหามขยินเข้ามากลับเห็นเจ้าองคุรีมานแห่ลงลมช้าง ถูกประคองปีกมาคนละด้านโดยลูกหาบร่างใหญ่สองคนเดินกับเพกย่องแย่งหน้าตาบูดเบี้ยวเยแเก้เพียงแค่เชิถาชา ย, ยันมองแวบไปเห็นครั้งแรกเท่านั้นก็บอกได้ทันทีว่าอดีตนายบ้านลมช้างแทบไม่เป็นอะไรมากเลยเพราะมิฉะนั้นก็คงต้องหามกันแล้วขยินนั่นเจ้ายังไม่ตายหรอกเหรอ เชีาร้องถามขึ้นด้วยความยินดีที่แท้อารมณ์วิตกกังวลจนบอกไม่ถูกในขณะนี้ขึ้นมาแวบหนึ่งกลุ่มนั้นนำหน้าขยินเข้ามาจนถึงเขากับชยันยืนอยู่ขยินยังไม่ตายหรอกในายใหญ่ขยินลนเอาหลังกระแทกพื้นนอนจุกอยู่ร้องไม่ออกจนกระทั่งลุงอินไก่พวกนี้ไปช่วย แขนขาคอเนียงมันยังไม่ถึงกระหักตอนมันงัดลอยขึ้นถ้าตกเอาหัวทิ่นลงกรหยิงคงตายไปแล้วอู้นายหญิงของก็หยินล่ะเป็นยังไงบ้างประโยคหลังมันยังแสดงถึงการห่วงใยนายหญยิงมากกว่าตัวเองเชิดถามองไปที่ซากช้างแล้วก็อึ้งไปอีก ชัยันเอื้อมมือไปจับแขนอันกำยำของกระเรียงใหญ่แห่งหลุมช้างไว้แล้วชี้ให้ดูผานท้ายไรเฟิลของดารินที่โผล่มาให้เห็นแค่สองคือจากบริเวณส่วนท้องที่ทับเอาไว้ของช้างตัวนั้นเจ้านักเลงโตหลุมช้างพอเห็นเข้าก็แทบจะหายเคลั่งย่อสลัดพวกที่ประคองปีกออกไปทันทีก้มลงจ้องเขมิงแล้วคลานเข้าไปจับที่ผานท้ายปืนนั้น พยายามจะโยกหรือดึงออกมาแต่มันไม่ขยับขยื่นเลยเรากับถูกทับอยู่ภายใต้ซุงมาคือมาขยินสุดตัวนั่งแปะอยู่ตรงตำแหน่งท้องช้างนั่นเองแต่หันตัวกลับมาสีหน้าของมันขาวเปื้อปราศจากสีเลือดเสยยิ่งกว่าตอนกระย่องกระแยงออกมาเมื่อตะกี้นี้เสยอีกขยินอนุชาเอ่ยขึ้น พยายามบังคับเสียงให้เป็นปกติที่สุดทั้งที่ภายในร้อนรุ่มแทบระเบิดเหมือนทุกคนในขณะนี้ขยิงขณะที่ช้างตัวนี้เล่นเข้าใส่ในายหญิงเราเห็นเจ้าพุ่งเข้าชนนายหญิงกระเด็นเข้าไปที่โคนหญิงก้อนนี้ใช่ไหมใช่แล้วพรนชดุดขยินชนนายหญิงล้มกลิ้งไปก่อนที่จะถูกมันทิ้มด้วยงา เพนายหญิงยืนขวางทางมันอยู่ไม่ยอมหลกขยินเห็นนายหญิงกลิ้งเข้าไปใต้เพิงหินนี่แล้วขยินก็ยิงกระบอกปืนแย่ถึงตัวมันพอดีพอยิงตึงมันก็วัดงวงขึ้นขยินลอยข้ามหินไปนอนสลบอยู่นี่แปลว่ามันถูกปืนของขยินล้มคาที่อยู่ตรงนี้เลยเจ้าหญิงมันไม่ล้มในนัดนั้นหรอกขยิน เชิาตอบเสียงแผ่วต่ำมนมริมฝีปากนน่นพอมันเอางูงงัดเจ้าลอยขึ้นพวกเราหลายคนก็ยิงเข้ามารวมจุดมันไม่ทันจะเคลื่อนไหวไปไหนได้ล้มลงทับตรงตำแหน่งที่นายหญิงกลิ้งอยู่ที่โคนหินนี่แหละปืนของนายหญิงก็ทับโผล่ด้ามออกไม้เห็นอยู่นั่นมันเป็นเหตุการณ์บังเอิญที่ร้ายกาจมาก ขยินมีสีหน้าตื่นผวาและ ว, วิตกกังวลเห็นได้ชัดนั่งอ้าปากค้างอยู่พักใหญ่ก็ขยับตัวอย่างคล่องคล่องว่องไวเหมือนกับว่ามันจะลืมความเครียดยอกเจ็บปวดไปสมุดสิน้นร้องออกมาโดยเร็วเสียงดังลั่นว่าเดี๋ยวๆดี๋ยวเ๋ยเดี ย, ด ย, ด ย, ดยทุกคนอย่าเพิ่งเดินหรือเคลื่อนไหวใดใดทั้งสิ้นนะขอยขยินฟังเสียงหน่อยว่าแล้ว เจ้ากระเรียงร่างยักษ์ผู้มีคุณสมบัติพิเศษในด้านฟังเสียงก็ทอดกายลงพังภาพกับพื้นเอาหูแนบฟังตรงแผ่นดินใกล้บริเวณที่ด้ามไรเฟิลโผล่ออกมามันนอนฟังอยู่นานทีเดียวหูซ้ายฟังไม่ถนัดเอาหูขวาลงแนบดินอีกระหว่างนี้ทุกคนยืนนิ่งกันหมดมองที่ขยินเป็นตาเดียว ขยันอดรนทนอยู่ไม่ได้ขยับปากแต่เช่ถาส ก, กิดไว้โดยแรงบอกความหมายให้สงบต่อมาขยินก็พังงกหัวเนยขึ้นแล้วเกาะตัวของซรากช้างขึ้นเป็นไงเองได้ยินเสียงจริงรีบหรือมดมันร้องบอกกับเองว่ายังไงบ้างนะขยินนานอินร้องถามมา ขยินเอามือเคาะหูและสะบัดหน้าแรงๆไม่สนใจกับคำถามของพรานครูผู้เฒ่าสีหน้าของมันสอแววคลางแคลงพิษสวงและพูดอะไรอุบอิบพึพมพำแทบจะฟังไม่ได้สับเชษาหันมากระซิบถามนานอินว่ามันบ่นว่าอะไรลูอินมันบอกว่าถ้ามันจำไม่ผิด ขณะที่มันเข้าชนนายหญิงกลิ่งไปนะั่ะมันสังเกตเห็นที่โคนหินเอ็นก้อนนี้มีแอ่งลึกจากพื้นลงไปประมาณสักหนึ่งวาถ้านายหญิงกลิ่งตัวลงไปถึงแอ่งที่มันมองเห็นอยู่ได้ก็ไม่น่าจะถูกร่างกายของช้างทับแหลกเพราะมุมเอ็นของหินจะยันร่างของช้างไว้ไม่ให้กระแทกถึงตัวได้ แต่สาบช้างน่มันใหญ่มากจึงขวางบังไว้หมดทุกด้านทำให้เรามองไม่เห็นตัวแล้วมันได้ยินเสียงการเคลื่อนไหวอะไรบ้างไหมชัยยันถามมาบ้างนั้นอินสันหัวมันไม่เห็นบอกนะหรือแสดงว่ามันได้ยินอะไรเดี๋ยวรอมันดูก่อนนายทหารทุกคนเห็นขยิน เดินกับเพลกออกมาห่างจากซาดช้างแล้วก้อนหินนั้นสังเกตอยู่พักหนะึ่งแล้วก็เดินอ้อมไปทางด้านก้นช้างพยายามจะเบียดตัวเข้าไปให้ชิดมากที่สุดระหว่างร่างของช้างกับมุมหินเอ็นก้อนนั้นตะโกนเรียกนายหญิงนายหญิงนายหญิงซ้ำซ้ำ ยทุกคนยืนดูเงียบเงียบต่อมาก็เห็นก็ยินถอยออกมาด้วยอาการวิตกกังวลเพิ่มขึ้นและพยายามจะไต่ปีนขึ้นไปบนร่างกายอันใหญ่โตนั้นทางด้านขาหลังแต่มันก็ปีนขึ้นไปไม่ถนัดเพราะแขนขายังเคลื่อนไหวไม่สะดวกนะักใม่เคยเย็นนั่นเองจะทําอะไรบอกมาสิข้าจะช่วยมั่งก็ได้ ขออย่างเดียวอย่าสั่งให้ข้าลากช้างตัวนี้ออกมาก็แล้วกันนํนอินร้องบอกออกไปอย่างหงุดหงิดขยินหันรีหันขวางแล้วบอกเสียงเห่าๆลงมาว่าลุงอินลุงอินช่วยขยินหน่อยดิขยินปีนขึ้นไปบนตัวมันไม่ไหวก็อเองจะให้ข้าช่วยยังไงล่ะไอ้หอกฮะนานอินตะโกนลั่น บินขึ้นไปบนตัวช้างไปตรงคอมันโน้นแล้วหูฟังให้ดีตรงคอที่บังปิดจุกหินก้อนเนี้ยบางทีจะได้ยินเสียงนายหญิงมั่งตรงนั้นน่ะตัวมันปิดว่าไม่สนิทหรอกคงมีช่องทางอยู่บ้างอนุชาได้ฟังข้อความบอกของขยินได้อย่างทถ น, นัดชัดแจ้งแล้วเขาก็รวดเร็วเสมอ ก่อนที่ครูพรานผู้เท่าจะเคลื่อนไหวอย่างไรพี่ชายกลางของตระกูลอดีตพรานหัวเห็ดก็เพ่นพรวดขึ้นไปบนตัวช้างที่ล้มตะแคงนั้นอีกครั้งคราวนี้เชิดาและชยันก็ตะกายไต่ตามกันขึ้นไปอย่างรวดเร็วพรานชดไต่ตรงไปยังตำแหน่งคอของมันซึ่งเป็นรอยวาวหยู่ทันทีท่ามกางรอยเลือดที่ยังไหลอ ย, อยู่รินรินจากรูบาดแผล ซึ่งไม่ทราบแน่ชัดว่าจะมามาจากบาดแผลใดบ้างแตวมันก็เป็นความจริงตามที่ขยินบอกไว้คือตรงบริเวณคอของช้างตัวนั้นมีเนื้อที่ประมาณฝ่ามือเสษเศษเป็นช่องว่างอยู่ในระหว่างร่างกายของมันกับหินเอ็งที่มันตะแคงร่างล้มขาดใจตายบังอยู่นั้นไม่ถึงกับปิดตันบงังก้อนหินไวทั้งหมดขณะนี้มองเห็นเป็นช่องโพรงลงไป อนุชาตะโกนสั่งให้นายนานอิงยนต์ไฟฉายขึ้นมาให้เห็นทันทีพอรับได้เขาก็พยายามเบียดแทะตัวเข้าไปยังตำแหน่งช่องนั้นฉายไฟลงไปแต่ปรากฏว่ามันส่องสว่างให้เห็นช่องลงไปได้แค่สอกเสศษใสเท่านั้นต่อจากนั้นก็กระทบกับส่วนร่างกายของไอ้ช้างตัวนั้นอีกเนื่องจากโคนหินวาวเข้าไปน้อยน้อย น้อยพี่ชายกลางก้มลงนอนพังภาพตรงตำแหน่งนั้นป้องปากตะโกน ล, ลงไปทางช่องนั้นอยู่หลายครั้งเชถากระชัยันก็เข้ามารวมกลุ่มช่วยตะโกนเรียกอยู่ด้วยเหมือนจะแววออกมาจากคนละเสีกโลกแต่ปรากฏเสียงชนิดหนึ่งถ้าจะร้องตอบหรือร้องเรียกสวนขึ้นมาทว่ามันดูห่างไกลเหลือเกิน แย่าจับสับกระแสไม่ได้แน่ชัดว่าเป็นคำพูดเช่นไรเป็นแค่เสียงวี้แววเท่านั้นเพื่อให้แน่ใจที่สุดทั้งสามช่วยกันร้องเรียกซ้ำๆลงไปอีกแล้วเงียหูฝังมีเสียงอู้อี้ตอบขึ้นมาจากช่องทางเล็กๆนั้นจริงๆไม่ได้เกิดจากประสาทหลอน แต่เนื่องจากคงจะมีสิ่งที่ใหญ่โตอับทึบบดบังสกัดกั้นไวเสียงนั้นจึงเบาบางที่สุดจนแทบจะไม่ได้ยินและยังจับข้อความไม่ได้อยู่ตามเดิมเพียงแต่เชื่อแน่ได้อย่างเดียวว่าเป็นเสียงของดารินแน่นอนพบแล้วอยู่ใต้ซอกหินนี่เองอนุชาและชายันร้องขึ้นเอ็ดอึงอย่างดีใจสุดขีดแม้จะยังไม่รู้แน่ ว่าดารินขนาดนี้ตกอยู่ในสภาพเช่นไรแต่การให้เสียงใครได้ยินขึ้นมาได้ก็แปลว่าหลอนยังไม่ตายแต่จะสาหัสพิการหรือตกอยู่ในภาวะอย่างไรนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งพวกลูกหาบทุกคนไหวตัวพรึบอย่างตื่นเต้นยินดีกันทั่วหน้าเชื้ท้ายเองบัดนี้หน้าเริ่มมีสีเลือดขึ้นเอามือสกิดทั้งชยันและอนุชา บอกโดยเร็วว่ามัวแต่ตะโกนเรียกอยู่อย่างนี้ก็ไม่มีทางจะช่วยน้อยได้หรอกและน้อยแพนจะพูดบอกอะไรขึ้นมาเราก็ได้ยินไม่ถนัดเพราะฉะนั้นอย่ามัวแต่เรียกหรือถามอะไรอยู่เลยสิ่งแรกที่เราจะต้องทําก็คือต้องเคลื่อนซากช้างเวนตัวนี้ออกไปพ้นแล้วก็จะเห็นเองว่าน้อยอยู่ในสภาพไหนปัญหาเกิดขึ้นอีกครั้ง ดารินวราริตยังพอมีชีวิตรอดอยู่ในขณะ น, นี้ทุกคนรู้ชัดออกไปแล้วแต่จะทำอย่างไรจึงจะช่วยกันเคลื่อนย้ายซากช้างใหญ่ออกไปได้นานอินและพวกลูกหาพูดกันโลงเลงจอกแจปรึกษาหารือกันแต่ทุกคนก็ดูเหมือนจะจนปัญญากันไปหมดมันเหลือกำลังจริงๆสำหรับคนเพียงสิบห้าคน จะช่วยกันผลักดันซาช้างให้ขยับเขยื่อนออกไปได้ถ้ามีควายสักเจ็ดแป ต, ตัวอย่างสมัยก่อนก็ยังพออาศัยแรงลากชุดได้บ้างยิ่งรู้ว่าดารินพอมีชีวิตอยู่แต่ภาวะใดยังไม่ทราบทุกคนยิ่งกระวนกระวายกระสับกระส่ายไปหมดการช้าออกไปเท่าใด ก็เท่ากับโอกาสที่จะช่วยเหลือยิ่งน้อยลงไปเพียงนั้นหล่อนอาจจะบาดเจ็บร่างกายบางส่วนอาจจะถูกบททับอยู่แต่ยังไม่ตายหรืออาจจะหมกตัวอยู่ใต้ก้อนหินเองปลอดภัยจากซาบช้างทับแต่อากาศหายใจน้อยลงเต็มทีทุกคนคิดวุ่นวายไปหมดจากสิ่งที่ไม่สามารถจะคาดคะเนดได้นั้น เทถาตัดสินใจเด็ดขาดกระโดดลงจากท้องช้างตัวนั้นหันไปบอกชยันกับอนุชาว่าคอยเรียกไว้ทุกระยะนะแล้วคอยฟังเสียงตอบขึ้นมาด้วยเดี๋ยวฉันจะจัดการบางสิ่งบางอย่างดูเองว่าแล้วเขาก็แล่นออกไปตรงที่ลงขณะนั้นเห็นหนานอินทำดีที่สุดเท่าที่แกจะทำได้คือแกนเอาลูกหาดทั้งหมดใช้เชือกในล่อนขนาดใหญ่ สั่งให้ผูกขาซากช้างไว้ทั้งขาหน้าและขาหลังแบ่งกำลังการเตรียมจะออกแรงฉุดดึงลุงอินไม่ต้องต่อยดึงกันอยู่ที่แตกก็ไม่มีทางจะขึ้นทะเย่อมมันได้หรอกสำหรับกำลังคนแค่นี้เขาร้องบอกพรานผู้เท่าแล้วก็ป้องปากเงนหน้าขึ้นตะโกนสุดเสียงโดยที่ใครก็คิดไม่ถึง ด้วนด้วนด้วนอยู่ไหนพวกเรากำลังต้องการความช่วยเหลือจากเจ้าด้วนมาที่นี่เดี๋ยวนี้มาที่นี่เร็วเสียงของเชิดถา ดังก้องกังวานไปไกลกลางป่าหินอันเงียบสงัดทุกคนเงียบกริบไปอีกครั้งราชสกุลพี่ใหญ่ของคณะหันไปรอบๆแล้วตะโกนซ้ำๆอยู่เช่นนั้นพักใหญ่เหงือการของเขาเริ่มแตกซึมแต่แล้วก็แทบจะกระโดดตัวลอยด้วยความดีใจขีดสุด เมื่อได้ยินเสียงร้องแอตอบมาจากความเงียบห่างออกไปทางหลังมูหินด้านตะวันตกจากเหตุการณ์ที่ประจนประจันกันหยกๆยกเสียงช้างทำให้ต้องสะดุง้งแต่เช่อถามไม่หวั่นไหวเลยตรงข้ามกลับเต็มไปได้วยความปิติเหลือที่จะกล่าวเสียงร้องชนิดนั้น เป็นเสียงร้องตอบในสำเนียงปกติธรรมดาของช้างไม่ใช่เสียงอันสำแดงถึงความประสง์รายผิดไปกว่าไอ้โขลงช้างผีสิงที่เพิ่งจะแตกกระจายหนีไปหยกหยกเขาเชื่อแน่และจำได้ว่ามันเป็นเสียงของเจ้าด้วนแน่นอนจึงตะโกนเรียกซ้ำๆออกไปอีกร้องเร่งให้มันเข้ามามีเสียงป่าหินลั่นเล็กน้อยแล้วชั่วอึดใจเดียว โคจ่สารใหญ่ตัวหนึ่งก็โผล่ให้เห็นสันหลังพ้นแนวโขดหินล้อมรอบดุมดุมเข้ามาตามทางด้านด้านตรงข้ามกับพี่ดารินถูกทับอยู่มันช้าไปบ้างเพราะค่อยๆเดินไปเหยียบซาบช้างที่ถูกยิงล้มอยู่เกลื่อนเหล่านั้นตรงเข้ามาตามเสียงร้องเรียกของเชษฐาพี่ใหญ่ระวังนะครับ ระวังมันจะสวมรอยเข้ามาโดยไม่ใช่ ไ, ไอ้ด้วนอนุชาร้องบอกละล่ำละลักออกมาเมื่อเห็นเชิฐ า, ากําลังจะพุ่งตรงสวนเข้าไปหาแต่พี่ชายใหญ่ไม่หวั่นไหวใดๆทั้งสิ้นตอบมาว่าเจ้าด้วนแน่ไม่ใช่ช้างอื่นหรอกแต่ทุกคนช่วยระวังไว้ก็แล้วกันถ้าไม่ใช่เจ้าด้วนก็ยิงคุ้มกันให้ด้วยบนหลังของซาบช้าง อนุชาและชายันผู้ไม่ ย, ยอมประมาทเตรียมไรเฟิลพร้อมทันทีสองไฟจ้องตาเขม่งไปทางเชิถาแล้วช้างตัวเท่าตึกอันเป็นเจ้าของเสียงที่ร้องตอบมานั้นก็ปรากฏกายให้เห็นชัดเมื่อมันพ้นโคถินริมทางด่านออกมาได้มันเดินงุดมุดตรงเข้ามาเชิถาวิ่งเข้าไปทันทีเพราะจำได้แน่นอนว่ามันคือเจ้าด้วนไม่ผิดตัวไปแนะ่ เขาก็ไม่อาจาบอกตอนเองได้เหมือนกันว่าเหตุใดจึงกล้าหาญที่จะเข้าไปหามันเช่นนี้ทั้งๆ ท, ท, ที่ไม่เคยมาก่อนเจ้าด้วนอาจจะคุ้นเคยกระดาริ่งก็จริงแต่มันก็ไม่แน่เสมอไปนักว่ามันจะเชื่องกับทุกคนในคณะแต่เขาก็กล้าเสี่ยงแล้วเข้าถึงตัวกันซึ่งซึ่งหน้ามือนึงก็คว้าปลายงวงที่ยื่นส่งมาให้ จากนั้นเชษฐาก็มีอาการเหมือนจะจูงมันนำวิ่งเข้ามายังตำแหน่งที่พักพวกมุ่งรอคอยกันอยู่ทันทีซึ่งมันก็เดินเยาเยาตามเข้ามาโดยดีชนิดที่ยอมให้เขาจับปลายงวงมันเช่นนั้นทุกคนแม้จะเห็นชัดว่าเป็นเจ้าด้วนแน่และมาอย่างมิดแต่ก็อดไม่ได้ที่จะต้องแตลคือเป็นช่องออกแม้แต่ชยันกับอนุชา ซึ่งอยู่บนซากช้างตัวนั้นก็ยังเพ่นลงมาแทบไม่ทันโดดไปยืนคุ้เชิงอยู่ด้านหนึ่งบัดนี้เชษฐานำช้างใหญ่หางด้วนอันได้แสดงความรักและพักดีขีดสุดกับดารินเป็นส่วนตัวมาก่อนแล้วเข้ามาถึงพร้อมกับร้องบอกมันด้วยเสียงอันดังและชัดเจนว่าด้วนนายหญิงของเจ้านักติดอยู่ใต้ซากช้างตัวนี้ ไม่มีใครจะช่วยเหลือเขาได้เลยนอกจากเจ้าตัวเดียวเท่านั้นพยายามเคลื่อนย้ายผลักมันออกไปพยายามเอามันออกไปให้เบาและนิ่มนวลที่สุดเราไม่รู้ว่านายหญิงของเจ้าถูกทับอยู่ในสภาพไหนร่างกายบางส่วนอาจจะแหลกไปแล้วก็ได้เรากับจะรู้ภาษามนุษย์หรือมิฉะนั้นก็เข้าใจสถานการณ์ดีที่สุดแล้ว ้ด้วนชูงวงขึ้นร้องแปรันขึ้นมาครั้งหนึ่งเริ่มหมุนตัวแล้วเดินไปรอบรอบหินก้อนนั้นทุกคนสงบนิ่งแล้วจ้องมองมันเป็นตาเดียวพอมันเดินครบรอบเหมือนจะสังเกตทิศทางทีท่วนแล้วมันก็เข้าทางด้านหัวของไอ้ช้างร้ายที่กลายเป็นศพไปแล้วตัวนั้นทันที ค่อยๆก้มหัวลงใช้งาอันแข็งแรงเสยช้อนเข้าไปใต้ศีรษะซากช้างนั้นแล้วงัดขึ้นเสียงแผ่นดินลั่นครืดครืดซากช้างตัวนั้นเริ่มขยับร่อนออกมาแล้วทุกคนเบิกตาโพล่งจ้องเขม่งเจ้าด้วนงัดครั้งแรกมันขยับห่างออกมาอีกศอกนึงแล้วก็ก้มหัวงัดต่อไป ด้วยพลังมหาศาลของมันคราวนี้ร่างอันใหญ่โตที่ปราศจากชีวิตนั้นเบนส่วนหัวออกมาพ้นบริเวณหินประมาณวาเซตแล้วบัดดลที่ซากอันทับขวางทางอยู่มีช่องทางที่เปิดออกแม้จะยังไม่ตลอดนักเสียงแหลมของดารินก้องออกมาว่าพี่ยายน้อยอยู่ในนี้ ช่วยด้วยเร็วกำลังจะหายใจไม่ออกจะตายอยู่แล้วเรากันนัดกันไว้ทุกคนยกเว้นเชษฐาใช้โยโฮร้องกันขึ้นกึกก้องสำเนียงเสียงผู้ชนิดนั้นมันบ่งชัดว่าดารินวราริศไม่ได้มีอาการสาหัสรุนแรงใดๆทั้งสิน้นมิฉะนั้นจะไม่แผดเสียงพูดอย่างชัดเจนออกมาอย่างนั้นได้ ขาดนี้ก็ยังมองไม่เห็นตัวน้อยเจ้าด้วนมาช่วยเคลื่อนซากเว้นนี่ออกไปแล้วอดทนนี่คือใจเดียวเท่านั้นบาดเจ็บหรือถูกบททับบ้างหรือเปล่าเชษฐาร้องถามเสียงดังลั่นลงไปน้อยติดอยู่ในซากใต้พรงหินไม่ได้ถูกทับแต่มันล้มบังปิดทางไว้หมดเหมือนถูกฝังทั้งเป็น ตอนนี้พอมีอากาศหายใจสะดวกแล้วแต่ยังออกไม่ได้ทุกคนโหร้องลั่นอีกครั้งโดยเฉพาะขายินโหเหมือนอินเดียนแดงเป็นเย่งเยงลืมความเจ็บปวดขัดยอกหมดสิ้นส่วนเจ้าด้วนพอได้ยินเสียงของดารินซึ่งมันจำได้เท่านั้นก็แผดเสียงร้องสนั่นวันไหว คราวนี้จากการที่ค่อยๆเงยงัดทีละน้อยมันย่อเข่าหลังดันซากช้างตัวนั้นพรวดทรว ด, รวดเสียงครูดไปกับพื้นดังโคร่อย่างรวดเร็วแล้วพริบตาเดียวซากช้างมฤตยูตัวนั้นก็ถูกรุนหายออกไปพ้นบริเวณหินเอ็นห่างออกไปเจ็ดแปดวาทันทีนาของมันทิ่มซ้ําลงไปอย่างโกรธแค้นต่อซากนั้น พร้อมทั้งกระทืบทั้งหมดพลูกันเข้าไปท่ามกลางเสียงร้องเรียกอื้อๆไปหมดไฟฉายหลายดวงพุ่งเข้าไปรวมจุดเดียวภาพที่เห็นก็จริงตามที่ทรายินบอกไว้นั่นแหละมีซอกโพรงใต้ชะง่อนหินนั้นลึกประมาณหนึ่งวาจากระดับพื้นโดยมีคนหินเองเป็นมุลค้ำยันไม่ให้ซากช้างที่ล้มตัวนั้นทับลงมาถึงร่างกาย อันอยู่ในสภาพหมอบกระแตคุดคูอยู่ในโพรงจำกัดใต้ชะ ง, ง่อนหินนั้นดาคนแรกที่เข้าถึงคือเจษฐาช้อนอุ้มตัวน้องสาวออกมาจากช่องที่ช่วยชีวิตนั้นทันทีและนำออกมาวางลงใจกลางที่พักอันบัดนี้กลาดเกลื่อนไปด้วยซากช้างที่ถูกปืนขณะเดียวกันอนุชาชั ย, ยันขยินนานอินและพวกลูกหา ก็กรูกันเข้ามารายล้อมไว้ดารินนอนหงายเหยียดยาวอยู่กับพื้นยังไม่กระดุกกระดิกแต่มือทั้งสองประสานกันอยู่บนช่วงอกดวงตาลืมใสมีอาการเหมือนจะสวดมนต์ภาวนาอะไรอยู่ครู่หนึ่งทุกคนถามกันแท้หล่อนไม่ตอบในขณะนั้นแต่สังเกตเห็นได้ชัดว่าไม่มีส่วนใดชำรุดพิการไปเลยแล้วเลือดสักหยด ก็ไม่หลังจากร่างกายส่วนใดๆทั้งสิ้นพรรคพวกที่มุงอยู่จึงพากันเงียบไปชั่วขณะมองดูหล่อนตาไม่กระพริบอึดใจใหญ่ๆดารินก็ดึงกายขึ้นนั่งช้าๆสบัดแขนและขาทั้งสองข้างออกไปพูดขึ้นดังๆเหมือนจะเป็นการประกาศให้ทุกคนที่เฝ้ามองดูอยู่ด้วยความตังขาห่วงใยได้ทราบว่า เรียบร้อยค่ะปลอดภัยหมดทุกอย่างไม่ต้องห่วงแล้วหล่อนก็โผเข้ากอดพี่ชายใหญ่เป็นคนแรกต่อมาก็พี่ชายกลางแล้วก็ชายยันทั้งสามชายปีติยินดีจนพูดไม่ออกน้ำตาซึมคลอคนต่อไปหล่อนเดินเข้าไปหาขยินกอดคอมันไว้เขยาเ่าแรงๆบอกบนยิ้มว่าขอบใจมากขยิน ขอบใจในความซื่อสัตย์พักดีของเจ้ามากฉันเห็นว่าเจ้าพยายามจะช่วยเหลือฉันยังไงบ้างและดีใจที่เจ้าก็ไม่ได้เป็นอะไรมากนึกว่าเจ้าตายแล้วเหมือนกันเจ้านักเลงโตหลุมช้างผู้เปรียบเสมือนฆ่าเต่ายิ้มรักขยินตายยากนายหญิงแล้วขยิงก็ไม่คิดหรอกว่านายหญิงจะเป็นอะไรแต่ทุกคนนึกว่านายหญิงแบนตะแตะไปแล้วใต้ซากช้างตัวนั้น ขอบใจนะขอบใจทุกคนหลอนประกาศต่อไปเดินเข้าไปจับแขนครูพรานผู้เฒ่าบีบแน่นช้างตัวนั้นมันอาจจะทับฉนเหล็กไปแล้วละ่ะขณะที่มันถูกพวกเรารุมยิงล้มลงถ้าไม่ใช่เพราะบังเอิญมีช่องที่พอจะหลบตัวได้อยู่ใต้ชะ ง, ง่อนหินก้อนนั้นถ้าฉันจะตายก็คงตายเพราะหายใจไม่ออก โดยมีซากช้างตัวนั้นมาอุดบังปากโพรงไว้หมดเท่านั้นตอนที่พวกเราหลายคนตะโกนเรียกลงไปฉันได้ยินว่แววและพยายามจะร้องบอกให้รู้ว่าฉันติดอยู่ใต้ซอกหายใจไม่สะดวกแต่ก็ฟังกันไม่รู้เรื่องเลยจนกระทั่งซากช้างตัวนั้นถูกขยื่อนออกไปแล้วทุกคนยังพูดอะไรไม่ออกในตอนนี้ส่วนดาริน พอมองเห็นเจ้าด้วนยืนทำงานวาดโบกหูอยู่ห่างเกินไม่ห่างเกินไปนักคร่อมอยู่เหนือซากช้างที่เกือบค่าชีวิตหล่อนก็เข้าใจอะไรได้ดีทั้งหมดหล่อนแวกบุคคลอื่นๆที่ขวางหน้าอยู่เดินตรงเข้าไปหามันทันทีเชิฐาอนุชาและชยันตามเข้าไปติดติพอถึงหล่อนก็โผเข้ากอดงวงของมันไว้ด้วน ในที่สุดวาระจำเป็นจริงๆเธอก็เข้ามาช่วยฉันไว้ได้ทันก่อนที่ฉันจะถูกฝังทั้งเป็นอยู่ในซอกใต้โรงหินขอบใจนะด้วนขอบใจมากเจ้าเพื่อนยากหลอนพูดเสียงใสแต่น้ำตาไหลเป็นทางขจะศารใหญ่ผู้มีกระแสจิตผูกพันอยู่กับหลอนโดยเฉพาะออกเสียงเบาๆในลำคอ แล้วเอางวงเกลียไซ์อยู่ตามตัวหล่อนทุกคนยืนดูภาพนั้นอย่างตื้นตันใจบัดนี้ไม่มีใครคิดหวาดระแวงเจ้าด้วนอีกแล้วต่างเข้ามายืนรายล้อมประจันหน้าอยู่ใกล้ๆเหมือนมันจะเป็นช้างเลี้ยงที่แสงเชื่อพี่ชายใหญ่ของเธอน่ะไหวดีเหลือเกินขณะที่พวกเรากำลังจนปัญญาไปหมด ไม่รู้จัะขยื่นไอ้ซากช้างผีที่ออกไปได้ยังไงเขาสิที่ตะโกนเรียกเจ้าด้วนขึ้นแล้วมันก็ตอบร้องตอบรับแล้วก็เข้ามาทันทีเหมือนกันช่วยดันซากช้างนั่นออกไปจนช่วยเธอไว้ได้ไงชายันบอกมาอย่างตื่นเต้นทุกสิ่งทุกอย่างน่ะมันเกิดจากทานบารมีของน้อยเองทั้งนั้นแหละพี่ชายใหญ่พูดขึ้นพร้อมกับยิ้มให้ เธอให้ชีวิตกับเจ้าด้วนมันก็จงรักภักดีกับเธอเหมือนชาติก่อนจะเคยอุปถัมภ์กันมาพี่ก็เสียงเรียกไปอย่างนั้นแหละก็ไม่ได้คิดหรอกว่ามันจะมาแล้วก็โชคดีมากที่น้อยตื่นขึ้นมาอัญเชิญหลวงพ่อทวดคล้องติดคอมันไว้อำนาจของอรหันเจ้าทำให้มนกาลีของไอ้อมนุษย์ไม่สามารถจะเข้าสิงสู่ชักจูงมันได้มิฉะนั้นมันก็กลายเป็นพวกนั้นไปแล้ว จะเข้ามาทํำร้ายเราแต่นี่บารมีของอรหันต์ท่านปกป้องมันไว้ระหว่างที่ไอ้ช้างพวกนั้นเข้ามาโจมตีเราพร้อมๆกับไอพวกผีดิบหมื่นปีเจ้าด้วนคงจะหลบซ่อนเอาตัวรอดอยู่ใกล้ๆบริเวณนี้แหละเพียงแต่ยังไม่กล้าออกมาเท่านั้นเพราะมันนะเพียงตัวเดียวคือนออกมามันก็ถูกรุมแทงตายเท่านั้นพอพวกนั้นแตกหนีไปหมดแล้วมันก็หวนกลับมาหาเราอีก ก็เป็นอันเชื่อแน่ได้แล้วว่าอํานาจมนุษย์ขจาศานฤกติากตยาอาคมชั่วไรไ้ใดๆไม่สามารถจะมาดนบันดาลหรือชักนําอะไรเจ้าด้วนของเธอได้แน่นอนและมันก็จะเป็นช้างของเธอตลอดไปดารินตบที่งวงของเจ้าด้วนสั่งเบาวๆว่าด้วนอยู่นี่ก่อนนะอย่าเพิ่งไปไหนต่อไปนี้เธอเป็นส่วนหนึ่งในจํานวนของพวกเราแล้วละ่ะ แล้วหล่อนก็หันมาททงคณะพวกมันตะลุยบุกเข้ามาอย่างบ้าเลือดที่สุดไม่กลัวลูกปืนเลยและนี่มันผ่านหนีไปหมดได้ยังไงล่ะคะก็ชั ย, ยันนั่นแหละเขายิงพลุสว่างขึ้นทั่วบริเวณแล้วก็เอาระเบิดมือคว้างทะลมออกไปสองลูกพวกมันก็เลยถอยโชคดีนะที่ชา ย, ยันเหวี่ยงระเบิดทรงเดชออกไปโดยไม่ได้ไปถูกเจ้าด้วนเขาอนุชาเป็นคนตอบ ตอนนั้นน่พะพอช้างล้มปิดพา้าปิดปากทางน้อยก็ น, นึกว่าตัวเองเสร็จแน่แล้วเหมือนกันดูเหมือนตอนนั้นจะหมดสติไปชั่วขณะคลับคล้ายคับคลายอยู่บ้างเหมือนกันว่าแผ่นดินจะสะเทือนผิดปกติ <c oughs> คือนี่เราถูกศึกใหญ่เหลือเกินนอกจากน้อยกับขยินแล้วพวกเราทุกคนปลอดภัยดีหรือเปล่าคะเนี่ย <c oughs> ทุกคนเรียบร้อยดี ก็มีเธอก็แค่ยินเท่า น, นั้นแหละที่แย่กว่าคนอื่นๆเขาแต่ก็โชคดีนะที่ไม่ถึงกับพิการหรือถึงชีวิตดูนะพี่ชายกลางพูดแล้วกวาดไฟฉายไปรอบๆ บ, บริเวณให้น้องสาวได้เห็นถนัดถึงสภาพของช้างที่ล้มระเนระนาดพเนินเทินทึกอยู่ตามที่ต่างๆรอบบริเวณไปหมดทั้งปากทางเข้าทุกด้านและแม้ใจกลางอันเป็นลานที่พักดาริงยิ้มเกรียม หล่อนสำรวจดูภาพเหล่านั้นด้วยหัวใจอันแข็งกร้าวเยียบเย็นแล้วเอ่ยขึ้นว่าปืนน้อยตกหลุดมือไปค่ะตอนที่ขยินชนช่วยใครค้นหาให้ทีเถอะแถวบริเวณนี้แหละไม่ทราบว่าจะยังใช้การได้หรือเปล่าถึงยังไงหล่อนก็ไม่ยอมลืมไรเฟิลคู่ชีพอนุชาร้องตะโกนสั่งนั้นอินกับขยินทันทีทั้งสองวิ่งกลับ ไปยังตำแหน่งที่ซากช้างตัวนั้นเคยนอนทับอยู่แล้วอิจใจเดียวนันอินก็ถือไรเฟิลจุดสามศของหลอนนำวิ่งกลับมาส่งให้บอกอย่าง ด, ดีว่าไหนหญิงอยู่นี่ไงปืนไม่เสียอะไรหรอกยังใช้การได้เหมือนเดิมกับเพียงแค่พานท้ายถลอกไปนิดหน่อยเท่านั้นคงจะครูดกับพื้นลูกรางตอนที่เจ้าด้วนงัดซากช้างตัวนั้นออกไป ดารินรับปืนมาตรวจดูปฏิบัติการของมันอย่างรวดเร็วแล้วยิ้มออกมาอย่างพอใจที่ไม่พบว่ามันจะชำรุดเสียหายใดๆมากไปกว่ารอยตำหนิตรงผ่านท้ายที่หนานอินบอกไว้ก่อนจัดการบรรจุกระสุนเข้าแมกกาซีนจนครบทวนตามเดิมแล้วลดนกปิดลูกเลื่อนลงขณะนั้นเองทุกคนที่ยืนชุมนุมกันอยู่ก็ต้องหันขวับไปทางเสียงร้องเอะอะของกะยินพร้อมกันหมด เจ้านั่นโวยวายอะไรอยู่ตรงซากช้างที่พุ่งเข้าใส่ดารินซึ่งทุกคนจำได้ว่าได้ช่วยกันระดมยิงรวมจุดเข้าไปจนล้มพังภาพเป็นตัวแรกนายมาดูอะไรนี่เร็วๆเขา้ามาดูอะไรเร็ว95ทั้งหมดเพนตรงไปที่นั่นทันทีรวมทั้งพวกลูกหาบที่ยังยืนเกะกันอยู่ทั่วๆไปด้วย แล้วสิ่งที่เคยยินร้องเออะโวยวายมีอาการเหมือนจะเต้นอยู่ในขณะ น, นี้ก็ชัดกับสายตาของทุกคนที่พลูกันเข้ามาทั้งหมดโดยมีไฟฉายและตะเกียงเท่าที่มีอยู่ดูดูที่งาของมันนด้ได้ไดู ด, ดูอดีตนายบ้านลมช้างร้องอยู่เช่นนั้นพร้อมกับชี้มือตาเลือกเชฐาชายันอนุชาและดาริง ตลอดจนคนอื่นๆตะลึงพึงเพริดเรากับการเล่นกลหรือบังเกิดปฏิกิริยาทางเคมีของการทดลองทางวิทยาศาสตร์อะไรก็ตามทีงาของเจ้าช้างร้ายตัวแรกที่ถูกปืนถล่มราบลงไปนั้นทุกคนยังจำได้ดีว่าเห็นครั้งแรกมันเป็นงาสีดำสนิทเหมือนแท่งหนึ่งความประหลาดมหาศัจรรยนั้นทุกคนเพียงแต่คิด และชะงักความคิดไว้เพียงขณะนั้นก่อนอันเนื่องจากถูกกองทัพช้างหนุนเนื่องเข้าโจมตีจำเป็นต้องยิงปะทะก่อต้านไวอย่างสับสนชุลมุนกันไปหมดแต่บัดนี้สิ่งทุกอย่างพอจะสั่งซาลงบ้างแล้วและเมื่อหวนกลับมาดูที่ซากของมันอีกครั้งโดยการโวยวายบอกของขยินทั้งหมดก็มองเห็นชัดกับตาถึงสิ่งที่มหัศจรรย์ลี้ลับ เกนกว่าพบหินในครั้งแรกซะอีกกว่าสองฟุตถัดจากปลายงาแหลมที่ศาไฟห์เห็นกันอยู่ชัดๆทุกคนว่าเป็นงาสีดํานั้นบัดนี้เปลี่ยนเป็นสีขาวอมเหลืองธรรมดาไปแล้วคงเหลืออยู่อีกครึ่งหนึ่งของจํานวนความยาวทั้งหมดซึ่งก็ค่อยๆ ค, ค, คลายสีดำเข้มออกปรากฏสีขาวไล่เป็นทางขึ้นไป ทีละน้อยทีละน้อยตําตาของทุกคนท่ามกลางแสงสว่างที่สาจักมาจากลำไฟรวมจุดทุกทิศอะไรกันนี่เงาสีดำของมันกำลังจะกลายเป็นสีขาวเหมือนงาช้างธรรมดาไปแล้วดูสิค่อยๆไล่สีดำลดหายก็ไปทุกทิอนุชาร้องออกมาดังๆชัยยันก้มลงอย่างรวดเร็ว อย่าแตะต้องปลายงาช้างงาม น, นั้นแต่เชือถาขยุ่มไหลไว้ทันกระชากขยืนตามเดิมอย่าพยายามแตะต้องมันเราไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นดูเฉยๆพี่ชายใหญ่หัวหน้าคณะพูดเร็วปรือททำให้ชายยันชะงักกึกทันทีลงอินนี่มันแปลว่าอะไรนี่ทำไมงาของมันเปลี่ยนสีไปได้อย่างงี้ อนุชาเสียงเหมือนอาการสำลักอยู่เช่นนั้นในขณะที่พวกลูกหาบก็เซ็งแท้กันไปหมดด้วยอาการสะทกสะเทือนยิง่งครูพรานผู้เฒ่าทำมือเป็นสัญญาณโบกไล่ทุกคนที่ยืนส่วนหน้าอยู่ตรงทางด้านปลายงาของมันให้เบี่ยงหลบออกไปตัวแกเองก้าวเข้าไปยืนประจันอยู่เบื้องหน้าเพียงคนเดียวสงบนิ่งพนมมือขึ้นจบ ที่ปลายคางหลับตาลงแล้วโอมอ่านคาถาอะไรของแกมุกมิบสงบนิ่งเหมือนจะทำพิธีอะไรบางอย่างขณะนั้นทุกคนจึงเงียบกริบลงอีกครั้งชั่วไม่เกินสองนาทีเท่านั้นที่นานอินไรคาถ า, าอะไรของแกหยุดตรงหน้าซากนั้นงานที่ยังดำอยู่ครึ่งนึงและค่อยค่อย สีขาวลงอย่างช้าๆไล่แดนขึ้นไปเรื่อยๆก็เริ่มกลายกลับอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นเห็นขาววูบวูบสูงขึ้นเป็นลำดักกระทั่งในที่สุดมันก็กลายเป็นงาช้างตามปกติเข้าไปจนถึงโคนเหนื้อริมฝีปากของมันทุกสายตาเห็นพร้อมกันและในลักษณะอย่างเดียวกันทั้งหมด แล้วนันอินก็ลืมตาขึ้นเบาลมยาวออกจากริมฝีปากเหมือนจะไล่าอาถรรพ์ปัดรังควานอะไรบางชนิดพร้อมกับประกาศขึ้นด้วยน้ำเสียงเรียบๆของแกว่าช้างงานับเป็นสีดำมีจริงแต่หายากที่สุดในโลกนี้แต่ไอตัวนี้ไม่ใช่งาสีดำโดยธรรมชาติของมัน ลุงและที่พวกเราเห็นอยู่นี่ล่ะกลุ่มนายจ้างร้องขึ้นเป็นประโยคเดียวกันเรากับจะนัดกันไวพรานเท่าชั้นครูหัวเราะฮึ่ในลำคอผีมันลงแล้วเลือกลงตัวที่เป็นจากโลงหัวหน้าทำให้เราเห็นว่างาของมันน่ะดำสนิด แต่เมื่อมันถูกปืนตายลงอย่างนี้มนฑ์โคจฉาญก็เสื่อมลงงาจึงเปลี่ยนสีกลับมาเป็นสีเดิมนานอินขับไล่มต์กาลีให้มันถอนออกเร็วขึ้นเท่านั้นถึงไม่ทําพิธีปัดรังควานงาของไอ้ตัวนี้ก็จะกลับเป็นขาวตามเดิมแต่ก็คงอีกพักใหญ่ทีเดียวมันเริ่มจะกลายเป็นสีเดิม นับตั้งแต่มันถูกยิงลงถาดใจไปแล้วแต่เป็นการถอนออกอย่างช้าๆพรุ่งนี้มะรืนนี้หรือวันต่อๆไปถ้าเราพบกับไอ้พวกช้างผีลงเหล่านี้อีกเราก็อาจจะพบกับไอ้ตัวที่มีงาสีดำอีกไม่รู้จักหมดสิ้นหรอกจนกว่าเราจะทำลายล้างไอ้ตัวการสำคัญลงได้สำเร็จ ไม่มีใครสามารถเข้าใจได้ตามที่นานอินบอกมากไปกว่าประโยคคำพูดที่แกได้พยายามอธิบายสั้นๆแค่นั้นได้แต่มองนูหน้ากันเองอยู่ไปมาทว่าทุกคนของฝ่ายนายจ้างก็คงควบคุมสติไว้ได้อย่างดีเยี่ยมเพราะสิ่งพิลึกแปลกประหลาดที่พบเห็นอยู่นี้แม้จะดูว่ามหศัศจรรย์น่าสยดสยองเพียงไรก็ตามทั้งคณะสามคน โดยเฉพาะเชตฐาดารินและชัยยันต่างก็เคยพบประสบมาแล้วทั้งสิ้นเพียงแต่ผิดกันไปบ้างในรูปแบบเท่านั้นจะมีก็แต่อนุชาผู้ยังไม่เคยผ่านพจนมาก่อนกับพวกลูกหาบเท่านั้นที่งุนงงจับต้นชนปลายไม่ถูกแล้วชัยยันก็พรวงออกมาบนหัวเราะว่ะฮึไอมันไตรย้อนกลับมาคราวนี้นี่ นี่คอลลเม็ดแปลกไม่ส้ำแบบไม่เราดูแฮกกลางแกอย่าทำหน้าเลือดหลักอย่างนั้นไปหน่อยเลยไอผีดิบมหาการนั่นมันทำอะไรชนิติแกจะคาดคิดไปไม่ถึงได้เสมอแหละจงดูมันเหมือนเราดูการเล่นกลกันแล้วกันอดีตพรานชดจ้องหน้าสำรวจไปยังน้องสาวเล็กพี่ชายใหญ่และชยันอย่างสุดสนเทแล้วพยักหน้าช้าๆคราวออกมา ฉันยอมรับว่าสามคนนี่ไม่ว่าจะเป็นแกพี่ใหญ่หรือน้อยสามารถเข้าใจอะไรได้ดีกว่าฉันมากสำหรับฉันน่ะไม่เคยเห็นไม่เคยเข้าใจมาก่อนเคยก็แต่รับฟังคําบอกเล่าเท่านั้นเพิ่งจะมาเห็นอิทธิฤทธิ์ของมันคราวนี้เองก็ตลกดีฮะแต่ให้ตายเถอะหัวเราไม่ออกอ่ะไอ้ตัวนี้ใช่ไหมคะ ที่น้อยเข้าไปหามันโดยเข้าใจว่าเป็นเจ้าด้วนโดยนับเป็นตัวแรกเลยที่วิ่งเข้ามาในบริเวณของเราดารินถามขึ้นเสียงแหบพระก็ใช่มันละพวกเราเห็นชัดอยู่แล้วว่ามันไม่ใช่ไอ้ด้วนกำลังจะถึงตัวน้อยอยู่แล้วไม่รู้ใครต่อใครมั่งยิงขึ้นแทบจะพร้อมกันทั้งหมดดูลักษณะล้มฟุบแบบพักพังผ้า ขาทั้งสี่กางแผ่ครอมดินนี่ทีสแสดงว่ามันถูกกระสุนหลายนัดพร้อมๆกันอย่างจังถลม่มโครมลงกับพื้นขาดใจตายก่อนที่ตัวจะถึงพื้นสะอีกแล้วมั้งยังจำภาพมาจะกี้นี้ได้ติดตาขนาดทางภาพเอาอกตีพื้นแล้วแรงที่มันวิ่งเข้ามายันทำให้มันถลไหลลื่นคลูดมากรบพื้นเพราะแรงส่งจนเกือบจะถึงตัวน้อยนั่นแหละ น้อยก็มาดูซะดีซะก่อนเกือบแหลกไปเพราะไอตัวแรกนี่แหละดารินรีตาลงอาการของหล่อนบัตนี้เป็นปกติสภาพแล้วความตื่นเต้นตะเหตุการณ์หมดสิ้นไปอย่างง่ายดายที่สุดด้วยกำลังจิตที่กล้าแข็งเสียงนั้นอินพูดกระเรียงอธิบายอะไรให้ขยินฟังพร้อมทั้งปลอบใจมันไม่ให้สะดุ้งสะเทือนจากนั้นก็ตะโกนสั่งพวกลูกห เ, เติมฟืนเข้าไปให้สว่างหมดทุกกองชิปหายไอ้พวกนี้นี่หลับกันหมดเกือบแหลกกันทั้งปางพักแล้ไม่ละ่ะพวกนั้นพากันกระจายกันออกไปใส่ฟืนเติมเชื้อก่อไฟที่หมอดใกล้จะดับให้ลุกสว่างโพล่งขึ้นมาทันทีท่ามกลางซาดช้างที่แวดล้อมเต็มปางพักไปหมดแล้วแกก็หันมาบอกกับกลุ่มนายจ้างทั้งหลาย ้ดยเสียงอ่อยๆว่านานอินเองก็ดีแต่ได้พวกนั้นไปงั้นเองความจริงตัวนานอินบกพร่องกว่าคนอื่นเขาตั้งหมดขนาดรู้ตัวมาก่อนล่วงหน้าทําพิธีอย่างดีที่สุดแล้วก็ยังไม่ไวายถูกมันสะกดเอาจนได้คนที่จะต้องตายเป็นคนแรกนันไม่ใช่นายหญิงหรอแต่นานอินต่างหากกลับเข้าที่พักเถอะเจ้านาย แล้วมีเรื่องจะพูดกันมากทีเดียวอย่ามามัวดูไอ้ช้างตัวนี้อยู่ให้เสียเวลาเลยมันตายสนิทแน่พร้อมๆกับลูกคลงของมันอีกนับสิบรอบปางพักเราไปหมดคืนนี้กว่าจะสว่างเราจะอยู่กันกลางป่าช้าช้างนี่แหละเชิถาพยักหน้าเห็นด้วยแล้วจูงมือน้องสาวไว้บอกให้น้องชายกับเพื่อนเดินกลับเข้าไปยังบริเวณ ที่พักนอน